เราทำสั้นเรียกแล้วก็มีการแน่แนเลี่ยมวิธีปฏิบัติให้พวกเราจะเขา้าใจการปฏิบัติธรรมมันมีวิธีการต่างๆไม่เหมือนกันบางคนก็เล่ห์เหลี่ยมไปยังบางคนก็เล่ห์เหลี่ยมไปยังคือเล่ห์เหลี่ตามอุดมการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นคนได้รู้สิ่งใดก็ต้องเอาสิ่ืนั้นมาสอนเรียกว่าศาสนาศาสนาเป็ว่าคำสอนศาสนาคือตัวเราเนี่แหละตัวทุกค น, น, นเป็นตัวศาสนาแล้วก็สอนก็สอนเข้าหูฮั้นหมันมีคนแล้วก็มีตาศาสนาจึงแต่ว่าคำสอนสอนให้เบิง่งเบื่งให้เห็นหูให้ฟังฟังแล่นหนาจำเอานําไปใช้นําไปปฏิบัติ 8. LAKE. บมสมไม่าจิตสอนแล้วจีไปยิ่งนอนโดยโบราณสอนใช้ผูอื่นโบได้สอนตัวเองกับโบเองเป็นแสอนคนอื่นนั้นส่วนงานสอนตัวเองส่วนยาควบทิศนั้นก็องจวะยกมาเป็นครูเนอาจารย์เพื่อเหาโบได้เข้าใจเขาเข้าใจตั้งแต่ว่าไปสอนคนอื่นตัวหอมโบเคยสอนเชื่อหลวมพ่อเคยเป็นอย่างนัเห็นคนอื่นทําทิดนี่ส่วยจัก Hey. ว่าลงตัวเองทมผิตพวกเคยว่าจะเพื่อจริงๆใ่วมขมิดเป็นค <LES wellbeing masc ots> ู้แ็อ <zum> ย <gives> ่าทมผิตพวกเรามาปฏิบัตที่นี่มีวิธีทำจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพวมีการนิ่งารนั่งนิ่งนั่งเป็นอุปสรรควิธีที่หลวงพอนำมาใช้ดิษฐ์มันเป็นอุปสรรคแค่กามปฏิบัติใ่ไ ไม่ต้องหนังนี่ทาจังหวะมากๆคนใหม่นี่ยต้องทำจังหวะมันากๆทำซาซนานานใจพอดีมันรู้เล็กๆแน่นอนอย่าว่ารู้เรื่องลึกล้เนี่ยปันจุบต้องเดินจมกรมให้มากการเดินจมกรมนั่นก็ดีแต่ว่ามันตู้การทาจังหวะนีไ่ได้คนใหม่การทําจังหวะต้องทำซาซายืนนิ่ ม, ม, มหรือทำอ่นอนๆถ้าทําแรงทํำไวๆ มันกำหนดว่มันสตเของว่ามัน์แตนแรงจะมาทำศึกษาแล้วก็ทาให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะให้รู้สึกว่ามันหยุดมันนิ่งแ่ะให้รู้สึกมันไหวไปไหวมามันรู้สึกรวมรู้สึกมันก็ให้เกิดปัญญามันก็ให้เกิดญาณขึ้นโดยตามธรรมชาติทันที่วมบรู้สึกนั้นมันเป็นสิ่งที่บุรุษกาหนดตัวเองเริ่มเป็นไปเพราะอภิธรร เป็นใจเพราะผมไม่รู้ผมไม่รู้สึกตัวในวันมานคือกับตัวตัวโมาเป็นไส้พวกป่วยนี่มันไม่รู้สึกแค่มันก็ไปเป็นมาเป็นกินเป็นนอนเป็นซื้พันเป็นเหมือนกันแค่มันไม่รู้สึกในขณะที่มันทํามันพูดมันคิดมันไม่รู้สึกมันก็ให้ใจเขาเห็นด้วยมาอยู่ในวัดเพราะดีตัวนึงอี่แล่นไปเลยทันทีมันว่มันไม่รู้สึกตัวแค่มันก็รู้ ู it, it, so, ้มันวิ่งมันแรงไปคนเราเป็นบน่าจิตใจยังบทุฝกหัดดัดนิสัยฝกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองวันนผู้ใดยกย่องที่ใดจิตใจว่าเี็นั้นดเลย่ได้เบิกตัวเองทางปฏิบัตินั้นจริงว่าพยายมฝึกหัดันิสัยตัวเองฝืนนิสัยหลวพ่ไปคว่ากลางวันโบ้ต้องนอนโมนอนแค่ไห่พยายามทำอยู่ตลอดเวล กลางคืนเห่นอนโก้สนสนันนอถ้าบนนอนกล้วมันบนให้บนได้พัก่อนสารอย่างบนนอนแล้วก็ะโซชอบคุยหลวงพอเคยไ้นให้อยพระกตไปปฏิบัติธรรมะพร้อมกันเป็นคนชอบพอกันพอเดือดถึงเวลาก็หม่อมเนีาคุยหลวงพ่หาทางเนี Montreal> ่ยโอยากพูดโอยากตัวเองมาปฏิบัติธรรมะจะเป็นคนชอบพูดชอบคุยันได้ เลยไ่ได้ทําหน้าที่ธุระของตัวเองที่ตัวเองไปชอบพูดชอบคุยแต่มันคิดไปบนนั้นใจแลยหอบวนอยู่ในขณะที่เราพูดเราคุยกันอยู่นี่อีกซึ่งก็เราได้บ่งบอกเราแล้วจริงหมงัม้กควรรู้นั้นมันจึงบปรภาบกันขึ้นเพราะควรไม่รู้มันมีอยู่ลยยแล้วนะควรไม่รู้คือยังนอกควรไม่รู้ตัวเราแกมันรู้อืมตัวนวัดอ่ะนิชาเจวาผมไม่รู้รร อ, อ่ะต่ ว, ว, มมะว่าไม่มี้อ่ะเจวารู้ มันรู้ไปจําอื่นปบมันไรู้ตัววิชาแปลว่ารู้วิชานี่คือรอบตัวของจะปอยฝักหลับไปไม่ใสโลกคนอื่นให้มันรู้อยู่ที่ตัวของเขาเนี่ยเพือนกว่ามนรู้ลัพอเพียงแต่เราลองตามเพื่อนเราก็มาเป็นหลพออประกบตนแล้วหลอเอไปย่างเดินจากแดดด้วยซึ่งหนแดเดินไปซงงอยบก เป็นเราไม่ใช่เราต้องรู้จักคํานึงคํานวณอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมเราไปเข้าห้องน้ําห้องส้วมก็เป็นการปฏิบัติธรรมมาสั่นเข้านี่ก็เป็นการกปฏิบัติธรรมมาไปส่งน้ํกาก็เป็นการปฏิบัติให้ว่าทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมมาการปฏิบัติธรรมมาจริงๆเรได้กาหนดกฎเกณฑ์สถานที่หลายๆท่านห้าห้าของรู้จักวิธีปฏิบัติจริงอันเนี้ยดวรู้จักวิธีนี่ก็เป็นนั่งโยนตังเนี้ คิดอยู่ทั้งจังหะคิดไปใส่ร้อยอันของยามบบรูติดหัวลูน้อยอะไแต่มันคิดมันไปรู้อันนั้นมันคืรู้เรื่องนึนเลยได้หนึอันเคลื่อนไหวยู่นี้ให้มันรู้แทนเนี่งมันคิดตามมันหายใจมันนึกมันคิดให้มันรู้เขาถ่ายเทศการอนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังสอนทุกให้กำหนดรู้อันตัวทุกข์มีตัวเคลื่อนตัวหลมันคือตทุกข์ค่ณสอนให้รู้ทุกข์อันนี้เนี่ย สมมุทัยต้องละมันวละมันคิดไปอันตัวสมมุทัยก็บตัวคิดจะนม่อันเดียวกทนั้นแหละสมุทัยต้องละักต้องเจริญเองเจริญก็คือทมนั่นแหละมีโนธทำให้แก้งเขากลูกมาเข้าลูมาเข้าจาับผมเข้าจีเล็กจีนอยมันก็เลยแก้งรู้จักป้อนที่จะรู้จักต้องมีอาบใส่กัญญาหรือยางเกิขึ้นมันมียางเืิดขึ้นตามลําดับตามขั้ น, นตอนของมันนะ ที่หลวพอทผมไม่เช่อไปจาเอาจากคาพูดคนนันตัวนี้วนนี้ค น, ร, น, น, นรู้เพราะจริงว่ว่าวเป็นคนร้ว่าวคือคอยางที่หลวงพอวาคนอื่นนะคนรู้อย่างนั้นก็เอาเรื่องนั้นมาสอนพอเรได้ดรู้แั้วรู้เพราะการกระท <S <S ําเมื่อการกระท <S <S ําของตัวเองนี่เรไรู้ปของเราพวกเราถ้าหากปฏิบัติจริงจริก็พยยามทาจริงิจะเป็นคนหลอกตัวเอง คนมันชอบหลอกตัวเองบอกว่าคนว่ากันทุกคนหลอกตัวเองการปฏิบัติธรรมะต้องพยายามลบละมานะลบละทิกที่ี่ยวคนเห็นถ้าเห็นถูกต้องก็ดีถ้าเห็นผิดก็ผิดไปโดยมานะมานะเมื่อถึงตัวทิศทีดี่วคนเห็นสัมมาทิศทีเห็นถูกต้องมิตาทิศีเห็นผิดนมาทิศทคนเดียวนี้นยังบ่ดคู่ แต่ให้รู้จักซึ่งทุกผิดมาแล้วต้องแก้ไขถ้าห่างมาเราโบกแก้ไขของหลวงเขาแล้วก็อยู่หันแล้วก็ไม่ทําเลยพอเคยว่าทำเนี่ยมันมืดมิดมานานแต่นานแล้วร้อยตับพันกันแล้วมื่นตีแสนตีมันก็มืดอยู่จนทำคนใดอยู่ทําก็โยูกันแล้วโมีแสงสว่างแั่มเพล่วันนี้เขารู้จักวิถีมีเจนไข้รุ่นนี้ไม่คิดไปที่ในนี้ เขาลอยในที life, rup, ่ใส่เป็นแตงใส่เป็นจุดเปลียนไขแล้วเขาเดินไปที่นี้มันก็ไปมันส็วางขึ้นมาผมมืดมันก็ได้หนีจากเขาหนี่เขาไปในี่เขาเอาไปมาเบื้องหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไปมาข้างหลังมือมันมาข้างหน้าเอาไปจะข้างกายมืดมาข้างหัวเอาไปมาข้างหัวมือมาข้าไปมันผมมืดมันลงมันรอบตัวเขาอยู่อันนี้แสดงว่าเขาคิดมือเขารู้บางทีหลวงป่รู้เขาจะยู่ในมันหลวงปู่รู้ วันนี้เรามีไม่กี่ไปอยู่เปีนไใไมใล้เลยออกมาแลยออกจากค่ำ ม, มาอยู่นอกค่ำเมืม่อมาอยู่นอกค่ำเดียวเข้าไปทําไปก็เห็นคัำ ม, มันมืดค่ำทำมาอยู่นอกที่เราหามองไปไกลๆนี่เห็ น, นสว่างจริงเรื่อให้รูจ้จักไปเลยธรรมะธรรมะบุษยสินโตหนังสือบุษยสินพราไกรกดจดุลเพราเข้าใจกันบเมนวัดว่าอะไรหยังคือโตทุคนนั่นแหละเป็นธรรมะ ทำดีเขาเอามมาิ้นธรรมะทำชั่วเขาเอิ้นอาธรรมพูดดีเขาเอิ้นพุดธธรร ม, มาพูดชื่อเขาว่าเป็นอาัตโทนคิดดีเขาว่าคิดธรรมะคิดชั่วเขาว่าเป็นอนันตรียคำเจ้าบา้าบุญอะไรสิทีกอย่างใจพุทธ ม, มันขีน้โกนพอเียนรู้จากโอมนจิดแล้วเนี่ยทำคิดแล้วนะสมมุติเขาโกดนะเฮ้ยโกดแหล่ะเนี่ยมัน้นนาคิดที่จะไหนนะที่บอกโ ก, ต, อกต้องหลักฐาต้องพยาน พยายให้ดูคคิดของชมโกเอน่ะเป็นวอกเคื่อของควมผิดหาทางหมดเลยเรียกว่าคนไม่รู้นั่นเนี่ยเป็นคนผิดข า, างหมดคนเ อ, อ, อน้นโมหะาดสมบ้านผมบ้านหลวอเียว่าหลงห ล, ลงลืมคันลืมแล้วมันจึมีบ่หลงเขามาปฏิบัติธรรมะกำลังคิดมือขึ้นหุ้มมือลงเอียงท้ายเอียงขวาก้มเลยเนี่คนเอนหลงบางทีลู้บางทีเขลืมเอลง เดินจงอมเดินไปเดินมาคือเพื่อหลงโมไม่ลงออาออไปวางไว้ที่นั้นเอาคอไปวางอันนั้นมันลงนอกตัวลงนี่คือหลงตัเขาหลงชีวิตจิตใจมานี่รู้บัเนี่ยบุคลักเท่มันคช็คมันเคลื่อนมันไหวรู้รู้เหมือนสัตว์ดารสรู้วางเมื่อกี้นีสัตว์รสตมันแล่นเป็นเห็ตมงห้องแล้วมันแล่ไป้ย่ยมันรู้ แค่เงินโบลูมมันกิแดลนไปอย่างโบลีดิสเขานี่คือการเมื่อมันคิดแต่ของโบลูพขาเคลื่อนเข้าไว้ของบลูเขามากินข้าวแต่อัดน้ําเข้าห้องน้ําของส่วนเขารู้แค่เขาหักโบลดิสฉัย่างก่อนให้เขากําหนดรู้ให้รู้จริงจริงนี่นะหลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคำพูดและวิธีอันนี้พราะหลวงพ่อทําอะไรมันรู้หลวงพ่อเคยทําอย่างอื่นมาแล้ว ทำมาตั้งแต่อายุติอิกติุเาทำพุทโธสัมมาหังนับนึ่งสองสามทยุบอาาปานตติเขาทำได้ใจสงบสุบไสตรงแท้วิธีสงบแด้ไม่รู้นี่หลวพอที่สอนห้บ่เกินสามเดือน่เกินสามสิบวันท่านนะหลบงพ่อว่าหลวก็่ทำได้นั่งสงบเนียบเป็นโบญาแกได้แก้มาก็มีปัญญา มันมาเชิดเขามันเลยบุรูษของคิดมันก็เลยพาให้เปผมคิดมันคิดไปอันน anyway. ั้นเป็รคิดเอาเสื้อเป็นการคาดคิดดนเดาเอาเองมันคือกัลมาณูิบอกกันเลยญาติเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาญาติเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาญาติเชื่อถือโดยเหตุเขาทําตามกันมาญาติเชื่อถือโดยว่ามันมีอยู่ในธํามะเลย่าเชื่อถือ ใีบุคคลว่าน่าเชื่ อ, อสบข้อคนท่บใ อ, อ, อให้ เ, หเชือ่อทั้งหมดพอทง่บเชื่อใหทั้งหมดก็ชื่อเื่อคิดคนไหนเชื่อที่คนมันลูที่นี่กรัทธามันเกิดขึ้นกมันลูที่ศรัทธาที่แรกมันจะต้องตั้งใจบกพ บ, บคุยนี่ศรัทธาที่แรกเรื่องให้ทานรานับกตินี้หลวพอมีศรัทธาศรัทธาน้บานำบ้านน้ำเมืองขึ้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกวระศรัทธา โตขัดขาหนูพ่อจริงจริเนี่ยมันพอมาเพื่อพม่าเคลื่อนไหวรู้ช่วยนี่มันก็เกิดขัากันค่ยังไม่เห็นรูการอมันเข้ากับหลักของเจ้าชวนว่าให้มีสติกำเนิดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่เดินเดินนั่งนอนให้รู้เข้าพันไป่ใส่นี้ก็มาจะให้รู้สึกการเคลื่อนไหวเนี่ยเรียบบึย้อยผู้เย็ดเลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เราก็ต้องพยายาม เมือทำตามนั้นแล้วมันเป็นยงงมันก็รู้แท้ๆเพราะของจริงมันมีอย so so so to so ู่ในเฮานี้เด้อยาไปปกสิบของจริงเอาให้เพื่อเผยของจริงออกมาเพราะเปิดเผยโบม่เจตมุติจัดโบม่จตเพื่อเผยเพื่อเกระหมายถึงเฮาทาให้ตัวของเปิดเผยออกมาอยาให้องทุกพวกชอบหนองไรยไปสร้างที่ตัดบทามที่ขึ้นมาต้องู่อ่างไรต้องบนเรื่องนี้ เรื่องรูปนามนี่หลวงพ่อโบมบุเกินห้ามือแล้วพูไหนใช้ไปในติดมือยังไงลูกถ้าตั้งใจทาในรูปจริงๆเต้องถามใครจะเลืองนะหลวงพ่อหลวงพ่อเลือกธรรมะเ่งนี้หลวงพ่อบทถามใครน่ยเทีธรรั้นจิตใจเสี่ยนแตนี้ในเดือนเดือนหนึ่งผูดทำจริงทําริงในเดือนนรู้สามเดือนนี้ลูกในเวทีธรรมะจิตใจเสี่ยงแตคาบหนึ่งเดี๋ยวขั้นต้น จะทำให้มันพึงที่สุดของพวกนีหลบฟ้อคือว่าบุคลีนสามสี 4. ถ้าเป็นคนกินนะทปนคนบุคลีนเจ็สีกับโบุรุษเป็นหลวงพอเคยท้าทายคนมาโบมาซะน้อยสองลูกถ้าท่างเง้นมันเต็มก็ต้องจาได้ไประเดี๋ยวลูกจกักเราว่รวอร์ใ้งทุกมือเลยต อ, อนเช้าต อ, อนเย็นมัวอร์อร์เดี๋ยวนี้หลว่อบุกไปได้มาว่างพอ่อหลวงพอเป็นศรัทาหลพอ คือว่าตอนท่าวับอีเรื่องหรือว่าเขาบมาพยอกมีผลนอนูหลกเาต้องนอนนอนพอจะมาคาดาได้ะม hey, ันมันลำบากวซื้อผาอาไเมื่อคืนนี้หร่ไปเมือเลยไมันก็จากเมื่อได้มาได้รู้จักม่มนี้วเวลาเขตื่นเขต้มานอนตื่นให้รูกจักอย่างนั้นก็าต้องเป็มที่ สสามสองนอนตื้นเดียกับหอแล้วถาเป็นนั่งกีาอนี่ังนต้นขึ้นาพยายามาลุกลดส้างจงวะให้มันนั่งแล้วมันเล็นอนลุกมางางลงกหดใสด้วยวิธีการอแก้ปัญหายบนังถ้านอนต้นมันง้มันเคยตัวมันเปนิดใสมันเป็นสันดารเพราะคนมันนักนิดใสที่เจี ย, ย, ย, ย, ยอยู่แล้วสันดานที่เจียอยู่แล้ว นอนน้อยกินน้อยพูดน้อยก็หมกินกระลบผมไม่ใชกินตามใจมักอยากจะกินใจบนจิตคิดเข้าใจในมันได้ใจของผมตัวมันได้ใจของกิเลศคนอื่นพิเลศกินมากนอนมากพุยมากคนอื่นพิเรศก็จึงสอนว่าใหกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยให้รู้จักเวลาคนีรู้จักการรู้จักเวลาคนนี้ บุมคลที Jose, we which, ่ว like ่าร so, ู้จักเฉยๆนี่รู้จักให้รู้จักจริงๆรู้ธรรมะหลกพ่อจีว่าบุคคลที่จะถามคนนั้นคนนี้เพราะหลวงพอรู้จริงๆรู้จริงนะกัดูแจ้งนะนบจงรู้จริงรู้แจ้งรู้วิธีอันนี้บุคคนดูอ่นใจดูตัวเฮาตัวเฮามันมีอไรท่านก็รู้จักมันมดอไดรู้จักความมดนันกหมายงบนี้มันมันรู้รู้ไปทั้งหมด ร่วงไปเป็นอื่นว่าเป็นนิพจน์รัญญาจขึ้นงานนี้ปัญญางานสิกจะมีงานหกงานอะไรกันบาแต่นั่นก็คูดกันบางานนี้ปัาจริงๆนั้นลูกลูกหนาสองลูกองคองคิตนล้วก็เลยเลิกละเรื่องโทรศัพโ์มือถือรศัได้และก็ไปจะมีงานจะขึ้นก่อนเลิกละหัยึดไ่ถือได้ ก็ไปยานจะขึ้ก่อนรู้จักว่าสิ่งอยู่ไสคืออันไหนเป็นสิ่้นก็ไปมาลูจักเรื่องสมสะธรตมก็ไปจะรู้จักเรื่องธรรมบาตรธรรมคำบนนรกสวรรค์วิริภัยอีกหนึรู้จักเมื่อรู้จักนี้ก็พร้อมตัวกันรู้ทันทตัวพ่อเคยพูดให้ฟังห่าขันท้าในรวมตัวเขาทั้งหมดลูกกะรวมเวทนากะรวมไสยากะรวมสังขารกะรวมวิญญากระวรวมตัวเายก มืกับเรนี้เลียวอาการเกิดขึ้นที่นี้ถ้าอันนี้เนี่ยโบปราโกตเป็นอย่างบุ้นรู้มักรู้ผมจะม่แสดงรู้ว่าทำดีทชั่วหอม่แก้โดตัวรู้ที่สุดคนที่เมื่อหลวงพ่อมาเป็นอาทีพหลงค่อรู้ที่สุดคนที่คนที่รู้นั่นคือมันมันพร้อมตัวกับครู้จากเรื่อัข้ารวมตัวกันทั้งหมดรู้จักพระเจ้าตัดผมทางเดีอันนี้ ผมไม่คจะไตัดผมยึดถึหัวคนนี้ตรนี้ตัดผมครั้งเดียวก็หมายถึงสิ่งที่มันเป็นกฎของธรรมศาสตร์มันเข้าสู่สภาวะรูปที่เข้าสู่สภาวะจิตใจเข้าสู่สภาวะอือันนี้มันโบนเอาโบนใมันบนจักผมเป็นอะไรเอ้เขาบอกจบผมครั้งเดียวแต่เราเข้าใจว่าตัดผมเทแค่ผมมันรู้จักมันจืดมันถอนคนตัว เป็นสิ่งที่น่าอาจจรรย์เป็นสิ่งที่เคารพนับถือเป็นสิ่งที่โบโบเคยมีมาก่อนเรื่องนี้ไน่ว่าขาดคิดโบได้เร็นองทำมามันต้องปฏิบัติให้เป็นมันเหมือนกบเป็นนี่อยากจะเข้าใจเราก็้อของรู้โบมันรู้ซื้อรู้ซื่อก็เป็นการคิดขวดที่คิดว่ามันเปนงนั้นมาต้องคิดอย่างนั้นมันโุกข์ะไรไกแบบของขระเจ้าเอาอยากเป็นตำแ่ขพร เ, เจ้า แต่เขารู้วิธีใดต่อวิธีนั้นมาสอนหม่พอพูดนี่พืดเพืพ่อคนจริงใจให้เราทวกคนเอาไปใส่ได้ใส่ ไ, ได้จริงๆในชีวิตนี้แหละบรมนิจว่าตายแล้วจรงจะเอาบรมคือค่ามเนี่มันมืดมานายแล้วต้องหาวิธีขอไม่คิดไปเปลนไข่อยู่ในมือคนนี้มีแล้วอุปกรไม่คิดไปเปลนไข่ยังคือรู้สึกตัวนั่นรู้สึกตัวนั่นถึงไม่จิดไป เพีนงใครเขาคือมันคิดหัวรู้เอาพยายามจุดสองอย่างนึงิดนะแล้วก็สว่างขึ้นมาเขยกออกจากทั้งบอกเขาไปยู่ในทั้ ง, งเื่อเขาไปยืนในทั้งกะบกบโบให้มันมืดชตรงรู้สึกตัวทันทีในส่นเรกาปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเขาโบออกจากทั้แล้วก็ดูใมืดมิดอยู่ไาแก่ไายจะจะจะดูทั้งขึ้ น, น, นถ้าเราออกจากทั้งแล้วก็มืดมืดขอึอขอ้ มัดคมมือแล้วจะเป็นอย่างนปนเป็นอย่างกรเป็นเนจะตด้สงใสอย่างนี้เมื่อจะมันบนมือแล้วกันได้แล้วก็มีทุกคนผู้หญิงก็คือกันผู้ชายก็คือกันถ้าส่งองเงินก็คือกันคนซาใจกันทั้มดเป็นมรดทุกคนหลวงพ่อรับรองท้เพราะว่าหลวงพ่อรู้จักมันทีโบมเนวเกียวคือศาสนานั้นคือศาสนาในโบน ค่ะว่าคือศาสนาก็หมายถึงตัวเขาในโลกเดียวถ้ามีคนก็ต้องมีศาสนาถ้าไม่มีคนเมือ่อใก็บริศาสนาเมื่อ น, นันจรงใช่ไหมคนนี้มันต้องเกื่อที่ตลอดเวลามันต้องมียนังทีอบ่ ว, ว่านิดใดสมัยใดมันเป็ังสืมีดีดีซ้วบุญนนะลักษณะสติปัญญาที่บ่มือลกันบางคนนั้นมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อยพอหวานเมื่อตอนนีน้บางคนนะ ดีก็ขาคนี้บางคนเขาดีก็เขาคนี้มันดีคนละแบบกันบางคนมีกำลังบางคนก็มีกำลังบางคนมีปัญญาคือมูทันเรียนหนังสือได้ปริญญามาเนี่เนื้อเสนปริญญาหลวงพอบได้หลวพ่อเขียหนังสือโบเกีอยอ่านหนังสือโบเขียเป็นนุสปฏิบัติธรรมะเี่ยว่ยาอ่านเป็นเจตุลาเขาจะทำเดี๋ยวนี้ก็มาขยานเรียนตัวใครสกมือยันพูดพูดภาาาังหวบุกขัดไปเน ชิดชิดพแต่เรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะสมาทานในหลวงพ่อเทวคนธังหลวงพอแพรก็ชิดเสมอตัวที่จะให้แพรมุ่งจมดันบนหลวงพ่อเ่ามีเลยพราะหลพอมองเห็นกระทาคพูดออกมาเลยให้ชิพุธจังใดหลวพ่อสามารถที่จะฟังลู้พูดจริงพูดม่จริงหพอลูกในที่พุดลึกซึงขนาดใดหลวงพ่อลูกจับพวกใดมาพูดหลงพ่อลูกเพาหลงอลูดจังนั้นสิ่งนี้ เรื่องเห็นสีแ่งทีเทวดานะโลกสวรรค์โอ้ยบอกทุกคนเป็นทุธธกคนพอทำ ม, มาแล้วเรื่องจะไปเห็นอีกทีแต่สิ่งที่เห็นนั้นเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นบวกที่ในของจริงเหมือนที่ในของชริงนั่นแหมันลอ่อเขาหลวพ่อเคยว่าให้สังจินี้ก็กลับได้ไวบุตนี้ร่างไขในต้นเราท่านวันบางทับคนให้จิตหมุนมาจะในทางทางดีเพราะ ปอยให jar, life, ôm, male, ้จิตหมุนไปในทางข้างกี้ทำที่มืกเขาจะมีเ่ตนายหายสูงทที่มีคือยังทำที่มีก็คนรู้สึกคนนี้วันนี้มันหายสูงกระจัดขอทำทิศกันแล้วคมระยำสัมบูรณ์ในตอนนี้คนระยำสังบูรณ์ทีว่าคิดมันคิดขอบูรณ์พระท่ามันพระทํามันคือคนที่รู้สึกเลยเข้าชอบอบมาณทีจะมันกระิี้ปอกหลอก มันล่อเขอเหมือนพอไปเห็นนะไปเห็นได้เห็นจริเนี่ยเหมนเรื่องของเรื่องนั้นบนนี้ของจริงมันจะคริงแค่ไหนมันล่อเขาหลกพอย่างเลยจนผมเนี่ยเห็นเลขไปคิดฝ่าไเลิกพอปลาหมึอยากให้าเห็นจริงมันก็เห็นนะขอมันบนมี้ของจริงนี่ยจิต่มันล่อหลวงพ่อยังคิดว่าจะไปซื้อเลขคนนี้ันจริงเรื่องของบูจริงนี่มันล่อได คนผู้ใดหามาว่าให้หลวงพ่อฟังโอ้คนนั้นเนี่ยบุตรของขิษหลวงพอลโขอเรื่องมีนิจนะคำนั้นมีนิจที่หลวงพ่อว่าเนี่ยไม่เพิ่งเค่งที่สัญญาเรารู้นีนะ่มนิจเขาที่จับท่นจับเนี่ยเลงไปว่าที่ไปจับอันนั้นอันนี น, นั่นนนี้จับโลกยราิศมือขึ้นนะรู้สึกสวยนะจตมีนิมันทิศตามมันรู้สึกดวนีนมีเล็บและเครื่อหมายมายจะได้หมายให้เรามีสติรู้สึกจับอยู่กับสิ่งเหา น, น มัน palm, homem, คิดมากระเส็นอรลุมันเป็นวนนี้เล็คือวันนี้เล็กนี้มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสัญญาอันนี้เขาเข้าใจว่านีนิดแต่ว่าเครื่องสัญญาเครื่องป้องกันตัวไม้ว่านี้นิดไปเห็นอันนอคนอันนั้นเขเห็นใจตัวเองใจมันลอกเขาจิตใจมันลึกมันคิดน่ยมันลอกเขาถ้าม <The course> ันลอกเขาได้่ยก็แสดงว่าเขานี่ยโบลูเขาโบรูทันโบลูทันให้เขาฟังซึ้งอะไรมันก็ลอกเขาด้วยสีปฏิบัติให้เข้าใจ พันว่าหลวงพ่อเคยพูให้ฟัมหลวพ่อเขามือเที่ยวผมผมนาวทอดออกมาหลวพ่อเห็นหลับผมัผครั้งเดียวมันจะเป็นอย่ง้นเมื่อทอดอมาแล้วที่เอาลงหูเขามันเบิเขาเนื่อกับนดนี่เขาหมาเที่ยวออกมาแล้วอริสไบท์หุกนะหุกเทียวนอตุกแย่น็อกเขากันแล้วก็เขาอยู่แต่มันเบิกจุเข้ากันมันเป็นเครื่องยึงลุกเหมือนบูมีแล้วมันนี้ํานาเขามายกไวในอายุทนศิษอ ตัวตาหูต bon. ัวมูกเลี there, time time, thanks, ้ยหายใจหายนอกภายในเขาบอกหายานาายใน6กายนอก6เขาเป็นอายานาสิทธเห็นแล้วปัจจักจะไปรว่เห็นว่าดีทั่วแต่หูฟังปัจะัยไปรู้ว่าหูน้ำฟังมวลเพาะเมาเสื่อมมันยังเจียวมันยังบนได้ทำลายพอดีมู่งเข้าแมกมูลเข้าไปในแน่งเข้าไปจะบวมอีกมูลขับจักษ์เสืมันก็เลยเยี่ยมูกระดุมแน่งที่บบนวันนี้เขามาบวมขับบับก็ หายตัวออกหายตัวออกนี่เรื่องมัอยู่กับโมไดอันนี้แสดงว่าบมต้องพูดถึงอันยตนาทิศสองที่เราพูดพูดถึงลงจิตใจทีเดียวนี่น่ะเนี่มันิพูดไป่ใช่แต่มันรวมในจิตใจตาเห็นมัก็ไปรวมจิตใจหูฟังเสียงก็ไปรวมจิตใจดังเหานี้เดี๋ยวมันจะโมมันรู้จักว่ามันเม็ดมันหอมมันก็ไปรวมจิตใจโตจะมูกโตตาโตหูเัานี้มันบ่รู้ใจทุกมันรู้ มันจนทางออกขอ ง, งจิตใจเพราะยังเตือยไปมีกูมโคน่ตนวหนึ่งมีหกหูมีเฮียอยู่ในหูตัวหนึ่งในหโหนแล้วจะให้จังไรจึงจะจับเฮียนนั้นได้ตบาอาจายราย์คอร้อยสองเัยเราก็ต้องอุดมันห้าหูน่ะ น, นะแล้วก็ขุดไปตามไปอุด5้าหแล้วมันก็กหูเดียวเลยพอดีมันออกมาออกพรอนย อ, อยยังไปชอบ ไปปกยรองพอเดีมันออกมาคอนตีหัวรถกันอันนี้ก็ควมเดียวกันยังที่หลวพรวานี่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามมันถดถูอะถ้าไปตามถดคูกกับนานได้ถูกบางทีอาิบุตรก็ได้มันที่ขุดโฮมบูมีโซก็ได้ที่นามาหลายสัง่งมันรวมอยู่บนเดียร์ไอ้ทิ่ว้ากท่านไดก็รวมอยู่บนเดียนี่นะถ้ากจเสด็ทั้งแปดมื่นที่ขันพระดำมาขันก็บรรลอยู่ในนั้ น, นอย่างที่มีคนหาม อย่างที่สมาธิสมาธิเนี่ยระโบลูลงพ่อบรูจะเสมาธิคือคนตั้งใจนั่นเองตั้งใจมั่นทำการทางานผู้คิดสมาธิคนไม่สมาธิจิตจะนั่งอยู่มันเป็นตัวแข็มนันหลวงพอทำมางานเรื่องสมาธิตัวแข็จรงหลวพอก้าได้ยืนยังรับรองสอนได้เป็นของจริงมันต้องกล้าได้เันธ้าก้าก็ได้กต่แสดงว่าของหันธทที่ วางตอนเช้าเมื่อกับเห็นวารสุดวรแล้วท้ทีุ่ดนี้อาตมาลูกผมพร้อมด้วยพระสนระยาดโญมานั่งฟังธรรมอยู่ในสถาทันรรนี้อาตมาขออ้างอิงเอามข อ, ของพระพุทธเจ้าและ ท, ะท่าธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระนา ร, ารส า, ร, รนาสราวกพัมนาสพเจ้ามาเตือนจิตสกษษษิใจของผมเราให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ รู the the so ้แจ้งเหตุจริงตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในเห่าเนี่ยทุกคนบริเวนถ้าห้านะโมเป็นเดียวนี้เน่ยจวนจะหมดลมหายใจแน่นอนที่สุดหนุกพกได้อย่างต่อทุกคนต้องเป็นไม่เป็นไม่ได้ขอใทุกคนทุกคนช่ได้พบได้เห็นเอาในปัจจุบันนี้หรือว่ากําลังเคลื่อนชัวร์ขึ้นไปนี้ให้ได้พบได้เห็าในปัจจุบัช่วยผู้คนทุกคนเธอ